ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการศึกษาเมื่อได้ทำความเข้าใจคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการของการศึกษาพอเห็นตำแหน่งแห่งที่หรือฐานะของความคิดในกระบวนแห่งการศึกษานั้นแล้วก็จะได้กล่าวถึงเรื่องความคิดโดยเฉพาะต่อไปอย่างไรก็ดีโดยที่ความคิดเป็นอย่างหนึ่งในบรรดาจุดเริ่ม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 มีสองประการดังนี้คือปารโตโคซะและโยนิโสมนาสิการโดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายนอกเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบภายนอกอื่นแม้สักอย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนความมีกัลยาณมิตรเลยโดยกำหนดว่าเป็นองค์ประกอบภายในเราไม่เล็งเห็นองค์ประกอบอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่เหมือนโยนิโสมนัสิการเลยปัจจัยแห่งสมาธิินั้นได้แสดงความหมายในที่นี้ว่าเป็นจุดเริ่มหรือแหล่งที่มาของการศึกษาหรืออาจจะเรียกว่าบุพ ภ, ภาคของการศึกษาเพราะเป็นบ่อกเกิดของสมาธิิซึ่งเป็นแกนนําเป็นต้นทางและเป็นตัวยืนของกระบวนการแห่งการศึกษาทั้งหมด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 ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องโดยเฉพาะที่สามารถนำไปสู่ปัจจัยที่สองได้ปัจจัยข้อนี้จัดเป็นองค์ประกอบฝ่ายภายนอกหรืออาจเรียกว่าปัจจัยทางสังคมบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถทํหน้าที่ปรัตโตโคลสะที่ดีมีคุณภาพสูงมีคำเรียกเฉพาะว่ากัลยานมิตร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 ไม่สามารถทำให้เกิดศรัทธาได้และผู้เร่าเรียนเช่นเด็กๆเกิดมีศรัทธาต่อแหล่งความรู้ความคิดอื่นมากกว่าเช่นดาราในสื่อมวลชนเป็นต้นและถแหล่งเหล่านั้นให้ปรตโตโคสะที่ชั่วร้ายผิดพลาดอันตรายย่อมเกิดขึ้นในกระบวนการแห่งการศึกษาอาจเกิดการศึกษาที่ผิดหรือความไร้การศึกษา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 ตามที่สิ่งนั้นๆมันเป็นของมันโดยวิธีคิดหาเหตุปัจจัยสืบค้นถึงต้นเขาสืบสาวให้ตลอดสายแยกแยะสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆแยกออกให้เห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์สืบทอดแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่เอาความรู้สึกด้วยตัญหาอุปาทานของตนเข้าจับหรือเคลือบคลุมทำให้เกิดความดีงามและแก้ปัญหาได้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 ก็เพราะปัจจัยข้อที่สองนี้ปัจจัยข้อที่สองอาจให้เกิดการศึกษาได้โดยไม่มีข้อที่หนึ่งแต่ปัจจัยข้อที่หนึ่งจะต้องนำไปสู่ปัจจัยข้อที่สองด้วยจึงจะสำเร็จผลของการศึกษาที่แท้การค้นพบต่างๆความคิดบริเริ่มความก้าวหน้าทางปัญญาที่สำคัญสำคัญและการตรัสรู้สัจธรรม ก็สำเร็จด้วยโยนิโสมนัสิการอย่างไรก็ตามแม้ความจริงจะเป็นเช่นนี้ก็ไม่พึงดูแลนความสําเร็จของปัจจัยข้อแรกคือปารโตโคสะเพราะตามปกติคนที่จะไม่ต้องอาศัยปารโตโคสะเลยใช้แต่โยนิโสมนัสิการอย่างเดียวก็มีแต่อาชิริยาบุคคลยอดเยี่ยมเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นซึ่งมีน้อยท่านอย่างยิ่ง ส่วนคนทั่วไปที่เป็นส่วนใหญ่หรือคนแทบทั้งหมดในโลกต้องอาศัยปรโตโคสะเป็นที่ชักนำชี้ช่องทางให้กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดกันอยู่ทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งดำเนินการกันเป็นระบบเป็นงานเป็นการการถ่ายทอดความรู้และศิลปะวิทยาต่างๆที่เป็นเรื่องของสุตตะก็ล้วนเป็นเรื่องของปรโตโคสะทั้งสิน้น การสร้างปารโตโคโหสะที่ดีงามโดยกัลยาณมิตรจึงเป็นเรื่องที่ควรได้รับความเอาใจใส่ตั้งใจจัดเป็นอย่างยิ่งจุดที่พึงย้าเกี่ยวกับโยนิโซมนาสิการก็คือเมื่อดาเนินกิจการในทางการศึกษาอํานวยปรโตโคโสะที่ดีอยู่นั้นกัลยาณมิตรพึงระลึอกอยู่เสมอว่า